ความจริงก็มันไม่เที่ยงความจริงก็มันเป็นทุกข์ความจริงคือมันเป็นอนัตตาบางคนสอนเพลี่ยนๆนะสอนบอว่าให้ดูของสวยของงามให้อยู่กับความสุขอะไรเนียก็ภาวนาบรรลุมรรคผลโธ่พุทธเจ้าห้ามนะสุขพัสสัญญาไปหมายแต่ของสวยของงามสุขพัสสัญญาหมายแต่ของที่มีความสุขอย่างดีไม่ต่อ น, นิจจะสัญญาหมายแต่ความเที่ยง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 มันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองวันนี้เฝ้าเรียนรู้อยู่ในกายในใจนะไม่จะไปดูวันๆนะหาแต่ของสวยสวยงามมาดูแล้วบอกวันหนึ่งจะได้เบื่ อ, อ น, นั้นไม่ใชนะ่พระเจ้าจักรพรรดิในคาภีพระเจ้าจักรพรรดิมีทรัพสมบัติมากมายมีแก้ววิเศษสวยงามอะไรนี้แก้วสารพัดจะนึกไม่เห็นเบื่อเลยเห็นเบื่อเลย เห็นของสวยของงามเมียท่านก็สวยนะมีนางแก้วของเราไม่ใช่นางแก้วนางแห้วนางเหว่อะไรก็ไม่รู้นะแต่ละคนขนาดท่านเห็นของที่สวยที่สุดนะกินของอร่อยที่สุดอยู่ในที่สบายที่สุดไม่เห็นท่านจะบรรลุมรรคผลอะไรเลยพวกพระเจ้าจากักรพรรดิเจ้าชายสิทธ า, ทาไปอยู่ใต้ต้นไม้ไปขอข้าวเขากินใช้ผ้าอยู่ไม่กี่ผืนทาไมบรรลุล่นะ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 ไม่เคยรู้จักก็รู้จักนะ น, นี่คือคุณจันทร์นะสำนักพิมพ์ธรรมดาธรรมดาที่พิมพ์หนังสือของหลวงพ่อะเกือบทั้งหมดแหละตรวจรูปเก่กทั้งคนเนี้ไม่ค่อยผิดอะ่ะบางทีหลวงพ่อเขียนไม่เพลอะนะยังขอแก้เลยหลวงพ่อเขียนอย่างนี้ไม่ชัดเจนช่วยทําหนังสือมาตลอดค่อยสมหน่อยที่อ่านหนังสือหลวงพ่อรู้สึกหรือเปล่าถึงความเปลี่ยนแปลงค่ะก็รู้สึกว่า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 ถ้าไม่ไหวก็จมน้ำไปอ่ะต่อไปก็วันนี้มีแรงกว่าเมื่อวานนี้อค่ะอืก็ดีค่ะก็ที่หลวงพ่อบอกว่ามันภาวนาได้บ้างภาวนาไม่ได้บ้างเลยเนี่ยเหมือนหนูภาวนาไม่เป็นเดือนนึงจะเป็นสักสองสาครั้งอะคะ่ะนออ้องนั้นเหมือนลองผิดลองถูกเออมันคิดมากลองมากมันก็ผิดมากค่ะรู้สึกตัวไป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 หนูจะคิดนําไปบ้างอะค่ะว่าบางทีมันอันนี้ยมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนหนูคิดนําไปบ้างหรือหนูคิดนําไปมากไปหลังๆเริ่มมากค่ะเอานะเอาคิดนําไปบ้างนะคิดนําไปมากไม่เอาใค่อยดูไปความรู้สึกในใจเนะี่ยทุกคนรู้เป็นอยู่แล้วเราละเลยที่จะรู้เท่านั้นพวกเราคนไหนไม่รู้จักความรู้สึกทางใจไม่มีหรอก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 ดูเพื่อให้เห็นเลยความโลภมาก็ชั่วคราวท่า น, นเดี๋ยวก็ไปทุกอย่างเป็นของชั่วคราวดูอย่างนี้บ่อยๆก็จะเข้าใจธรรมะขึ้นมากาพหลัพ่อเมื่อวันมามาอยู่วะเมื่อคืนนี้เออว้ผ้าสดมอญรู้สึกนอนไม่ค่อยหลับอ่ะอตีตีหนึ่งยังยังนอนไม่หลับเลยขึ้นมานลังจงกลม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 โดยอย่างนีเรื่อยเจอตุ๊กแก่ไหมเจอค่ะกลัวไหมตจ๊กแก่ไม่กลัวแต่กลัวความมืดมากกว่าโอ้นี่แย่แยะันมืดเชีความมืดน่ารักนะใครเคยรู้สึกถ้าเคยอยู่ตาอยู่อะไรนะมองไ้ข้างนอกไม่ได้มืดมืดมืดตามืดมัน่าดูสวยงามคคนกรุงเทพน่าสงสารอยู่กับความสว่างไม่เห็นความงามของความมืดนะ ในความมืดนี่งดงามมากผีก็ดุขึ้นอะไรกเนี่ยฝึกจิตดีมากเลย <laughs> ขอบคุณงานหลวงพ่อไปอยู่หลวงพ่อก็เกิดกรุงเทพโตกรุงเทพนะพอ บ, บวชแล้วไปอยู่วัดบ้านนอกโอ้โหดาวดวงย้ายใหญ่รู้สึกดาวดวงโตชังคนกรุงเทพไม่เคยเห็นอ่ะต่อไปใครจะมีความจำเป็น ขอจาเป็นนะไม่ใช่โลภนะอา้าวเบอร์สี่คำนักส ก, การหลวงพ่อครับส่งกลับบ้านครั้งแรกครับรู้สึกว่ายังไม่ค่อยตั้งบั่นครับแล้วก็บางทีเห็นความคิดมันวิ่งไปแล้วชอบดึงมากดที่ลมหายใจมันเตื้อเ ต, ตืครับมันวิ่งไปแล้วมันกลับมาที่ลมครับมาเตื้อที่ลมหายใจเราแล้วมันเตื้อครับไอ้นั้นเพราะว่าเราไปดึงคืนมา นะถ้ามันหนีไปเราแค่รู้เฉยๆเราไม่ไปดึงจิตคืนมาจะไม่ตื้อหรอกต้องต้องรู้ให้เบาหุณนี่ใช่ไหมครับพอาจารย์ให้รู้รู้รู้ว่ามันหนักก็แล้วกันนะเดี๋ยวไปค่อยเบาเองอ่ะพอชํานาญแล้วมันเบาเองอ่ะถ้าพยายามไปทําให้เบาไม่เบาหรอกเดี๋ยวยิ่งเครียดหนักกว่าองกแลที่ผมดูจิตดูนี่ทราบมาตรงกับดูดูถูกสิดูไปนะใจมันตื้อรู้ว่าใจมันตื้อนะใจมันคลายออกรู้ว่าใจมันคลายออก ดูไปเรื่อยใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นสังเกตไหมเราสั่งไม่ได้ใจมันจะตื้อเหมือนก็ตื้อเห็นไหมสั่งไม่ได้ตรงที่เห็นสั่งไม่ได้เนี่ยเห็นอนัตตานะแล้วเห็นไหมใจไม่คงที่เดี๋ยวก็ตื้อเดี๋ยวก็ไม่ตื้อตรงที่ไม่คงที่เนี่ยเขาเรียกว่าอนิจจังนะแล้วผมต้องทําสมาธิอะไรเพิ่มอีกไหมครับสมถะตอนนิหัสติให้ว่องไวอย่างนี้ก่อนจนะิตไหลไปแล้วรู้การที่มันกลับมาที่ลมมันเป็นสมาธิอยู่แล้ว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 ร้อ ย, ยหนึ่งร้อยหนึ่งนั่นร้อหนึ่งอยู่น้นพอดีมีมีเพื่อนที่เป็นมะเ็งอะค่ะหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแล้วก็น้ําหนักลดภายในสามเดือนจาก80เหลือเหลือห้าบสาแล้วก็ตอนนี้มีเวทนาเยอะมากยังอยู่ยังอยู่ค่ะแล้วก็เหมือนกับพยายามภาวนาแต่ว่าเพราะว่าเวทนาเยอะมากแล้วก็เลย ต้องใช้หมอฟรีแล้วอะค่ะอืมก็เลยจะขอเมตตาหลวงพ่อช่วยสักกันบ้านไปให้เขาอะค่ะเขาเคยแยกขันไหมเท่าที่คุยกันก็คือเขาเคยเขาไม่เขาเคยมานั่งตรงนี้แล้วหลวงพ่อบอกว่าเขาภาวนาดีอืถ้าเคยภาวนาอยู่ก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่หรอกนะเวลาจะตายจริงๆริแล้วจิตมันก็ดิดตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะ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 ถ้าทําใจให้สบายมันจะมีพลังบางคนอยู่มาอีกหลายปีก็มีนะมีหมออยู่คนหนึ่งอยู่นคปรปฐมตั้งแต่โลกพ่ออยู่เมืองการเนะี่ยแกบอกเวีนมะเร็งรักษาแล้วก็หมอด้วยกันก็บอกนะว่าตัวนี้อีกไม่นานนะมันจะกําเริบขึ้นมาอีกแกภาวนา น, นะ่แกสู้จริงๆเลยมาอยู่ที่วัดตกกระไดด้วยซ้ําไปเดินเหินจะไม่ไหวนะพยายาม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 อย่างดอกไม้เราเด็ดมาใส่ใจกันแล้วดอกไม้เหี่ยวไปไม่น่าเสียดายได้บูชาพระละร่างกายนี้เหมือนกันได้ปฏิบัติบูบชาแล้วจะเหี่ยวจะตายก็ช่างมันสอนอย่างนี้นะ <c oughs> แกเดิมเกียรติธรสมาธิได้ทีบอกสมาธิก็แตกหมดแล้วสมาธิก็ทําไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างเลย <c oughs> หลวงพ่อบอกให้ยอมสละร่างกายนะถือว่าเป็นของบูชาพระจะหายใจไปรู้สึกตัวไปจนวาระสุดท้าย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 พวกที่หมอบอกว่าจะตายแล้วจะตายแล้วนะแยกธาตุแยกขันไปบางคนยังอยู่มาตั้งหลายปีแล้วนะไปบอกเพื่อนนนะว่าอย่าไปรักร่างกายมากที่จิตใจเศร้าหมองสมาธิแตกหมดนะเพราะอยากให้หายกลับครับพ่อคุณค่ะอ่ะ้ารรมศส ก, การครับหลวงพ่อมาส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็ปฏิบัติโดยสายไม่เคยมาเลยเหรอไม่เคยครับเคยฟังซีดีไหมเคยครับ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 ใจไปนลงในความสุขความสบายบให้ย้อนกลับมารู้สึกกาย ร, รู้สึกใจมารู้ทุกข์ต่อไปอีกครับสาสิบอยู่ข้างหลังนะข้างหลังกราบนมันส ก, การหลวงพ่อค่ะ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 แต่มีข้อต้องระวังเวลามันมีความสุขมากๆนะมันเพลินเราอย่าไปเพลินในความสุขซะ ก, ก่อน ค, คอยอรู้กายคอยรู้ใจรู้มากๆค่ ะ, คะแล้วอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนาว่าทำ 100% ยเปอร์านะทำยังไงคะฮะทำยังไงร0 0รทำ <laughs> าไม่ได้มีสติก็ทำทีหนึ่งขาสติก็หลงไปเพียงแต่ว่ามีสติให้บ่อยๆ 100% ไม่มีหรอกค่ะ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 ก็จะเห็นนะคะแต่ว่าบางทีเหมือนแบบมันไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรนะรู้ตามหลังก็ยังดีแต่ถ้ามันไปปนกับเรื่องราวมันจะไม่เห็นถ้าเวลามันไปปนเรื่องราวเราไปรู้เรื่องราวเราไปรู้อารมณ์บัญญัติเราไม่รู้รูปนามเราก็ไม่เห็นความโกรธผุดขึ้นมาใช่คะถ้าเราไม่หลงไปอยู่ในความคิดเราก็จะเห็นความโกรธผุดขึ้นมาคือบางทีมันก็มีเห็นความโกรธผุดขึ้นมาแต่ว่าบางอย่างมันก็หยุดมันไม่ชอบ มันไม่ชอบดูให้ออกตัวนี้เพราะความโกรธเกิดขึ้นมาไม่ชอบมันเลยนะใจไม่เป็นกลางจริงไหมจริงค่ะแล้ว่ามันมีอาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันปฏิบัติไปแล้วคราวนี้มันเหมือนมันตั้งใจทำมากเกินไปอะค่ะมันก็จะแน่นแล้วมันแน่นตลอดล้วตอนนั้นพยายามจะออกมาจากใ ห, <ร>ให้รู้ทันเลยว่าใจไม่ชอบแล้ว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 งันที่เรามาปฏิบัติรำเนี่ยไม่ใช่เพื่อละกิเลสหรอกแต่เพื่อทําลายอนุสัยภายในใจนะ้ค่อยๆหายไปนะสลายเชื้อมันไปทําลายเชื้อที่จะพาเราไปผุดไปเกิดทั้งหลายแต่ค่อยถูกทําลายไปเรื่อยกิเลสนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะมันก็เกิดแล้วก็ดับนะเราก็แค่หลัแล้วของหลัต้องมีกันบ้านอะไรหลัก็ไปรู้ทันใจที่ไม่พอใจอะ่ะเพราะหลัวคิดโมโหใช่ไหม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 กับนมัสการคะ่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบหกเดือนคะอ่ะว่าไงหเดือนเข่าก่อนหลวงพ่อบอกว่าให้ไปแยกค่าแยกขันนะคะแยกออกไหมแยกออกค่ะแต่ตอนเนี้ยหนูใช้เวลานานไหมกว่าจะเริ่มแยกได้<อ>จากที่หลวงพ่อบอกเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็มันอยู่ดีมันก็แยกออกไปเองะคะ่ะออทาไมมันแยกได้หรู้ไหมมันเคยได้ยิน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 เห็นทุกข์แล้วโลกนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเหมือนที่ฝันเลยใช่ไหม<ะ>โลกไม่ใช่ของดีปัญหาของหนูไม่ใช่เห็นทุกข์เยอะปัญหาของหนูคือไม่เป็นกลางกับความทุกข์ต่างหากละ่ะการที่เห็นทุกข์เยอะนะพระอราหันต์เห็นทุกข์ที่ยิบมากกว่าพวกเรานะแจะทําไมท่านไม่ทุกข์อ่ะหนูเห็นทุกข์ของคนอื่นนะคะไขเข้ามาหนูก็ทุกข์หมดเลยเราอย่าไปอยากซินะทุกข์มันมาเพราะความอยากนะนึกออกไหม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 ตอนนี้ยอมรับความจริงเรื่องร่างกายได้มากขึ้นค่ะแดีนะฝึกไปผู้หญิงก็จะมีจุดอ่อนเรื่องของคนอื่นอีกผู้หญิงบางทีจะอย่างแต่กี้เนี้ยของตัวเองไม่เป็นไรดูได้ถ้าคนอื่นมาทาอะไรเงี้ยเป็นห่วงก็บ้างอยากให้เขาเป็นงั้นอย่างนี้บ้างอยากเขาไปจัดการบ้าง อ, อ, อย่าเป็นเยอะกว่าผู้ชายนะเท่าที่สังเกตให้ขอยรู้เอา แล้วต้องมีแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าระวังอะไรบ้างคะแม่ชีก็ดูใจของเราไปมีสติรักษาจิตเรื่อยไปนะไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปแทรกแซงมันมีสติตามรู้มันไปเรื่อยตามรู้ใจของเราล่อนแต่ของบังคับไม่ได้แม่ชีดูไปอย่างนี้เลยว่ามีแต่ของบังคับไม่ได้นะถนัดดูานัตตาดูานัตตาไปไม่ใช่ตัวตนของเราที่มันน่ไม่ได้ใช่ดูอย่างนั้นแหละ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 หนูนั่งสมาธิไม่ได้หลวงพ่อมันจะก็คือตอนหลักมาก็เลยคิดว่าเออนั่งแค่สินาที20นาทีเอาแบบว่าให้มันสงบสงบก็พอแต่ที่เหลือก็เดินจงกรมเมอาค่ะได้นะให้ทําในรูปแบบนั่งสมาธิก็ได้เดินจงกรมก็ได้ค่ะนะฝึกในรูปแบบทําให้เราเนี้ยเป็นคนซึ่งไม่เหล่อแหละไม่โลเลทุกวันเราต้องปฏิบัตินะถ้าใจโลเลทําบ้างไม่ทําบ้างไม่ได้ผล แต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้เรื่องเลยหนูอะไรนะรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ค่อยได้เรื่อง <c oughs> <c oughs> ก็รู้ทันแปว่าไปวิจารณ์ตัวเองว่าไม่ได้เรื่องค่ะ <c oughs> รู้ทันตัวเองไป <c oughs> การปฏิบัตินัน ง, ง่ายกว่าที่พวกเราคิดนะอย่างเราฟังคนอื่นส่งกันบ้านนะรู้สึกยากเย็นเพราะเราไม่มีอย่างเขาด้วยซ้ำไปรู้สึกแต่ละคนเขา เ, เก่งเราทำไมไม่เป็นอย่างเขาที่จริงการปฏิบัติไม่ได้ยากเท่าที่คิดหรอก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 รู้ลูกเดียวหรอบางทีก็ต้องรู้นะบางทีฟุ้งซ่านรู้ไม่ได้ก็ทกําความสงบเวลาโมโหคนแล้วจะตบเพระก็รักษาศาีลอะไรเงี้ยไม่ใช่มีแต่รู้ลูกเดียวนะกิเลสมาไม้ไหนเราก็ต้องพลิกแพลงต่อสู้กับมันเป็นกิเลสอยากก็มีศีลไว้ใจฟุ้งซ่านก็ฝึกใจให้สงบตั้งมั่นมีสมาธิไวนะ้จะเดินตัญญาก็แยกธาตุแยกขันไปไม่ใช่ว่า